เราคิดแล้วก็ไปเอาขวดมาที่เราคิดคือเราคิดว่าถ้ามีเวลาเราจะให้กรอกเอาไปผาแดงนี่คือความหมายที่ที่เราให้ไปเอาขวดมาเนี่ยแต่เรามาดูหมูแล้ ว, ลวเราก็สงสารหมูเราจะให้หมูทําเรื่อยทำเรื่อยทเรื่อยเราก็สงสารหมู <c oughs> เนี่ยก็เลยอยู่ก็เลยอยู่อย่างเ <c oughs> <voices. S 2> งี้ยผ่าแดงก็มาได้เอาไปส่งตามที่เรากะเอาไว้ อกวพระแดงเขาทางานนี่ถ้าเราถ้าเราทําไปอย่างเงี้ยเราทําไปโดยอิสระของเราถ้าเกิดที่หลวงก็ขอมาที่นี่ก็ขอมาอโอ้ยเราวิ่งตามเขาไม่ทันแหละใครก็อยากได้ของดีเนาะแต่เราจะทําให้สนองเขาเนี่ยเราทําไม่ทันเราทําไม่ได้มันของมันต้องใช้แรงแรงงานเห็นโยประโยชน์แต่มันทําทําไม่ได้ มันทำยากคือไอ้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆอย่างนี้เลยจะกลายเป็นทำลายประโยชน์เราอีกประโยชน์หมู่เพื่อนเราเนี่ยเราก็ดูอยู่อาจารย์วางท่านทำได้ไประจำเนี่ยท่านท่านจางไม่ออกเน๊ทอาจารย์วาง ท่านให้ไม่ออกไปกรอบไปยามแห่ท่านให้จันจ่างเขาได้เนี่ย <laughs> ไอ้ยเราก็จะทำอย่งงางนั้นบ่มันคือบบอ่มันคิเห็นแต่เกเงินอะไรบ่นได้บุญอะไร่านนี้รวยแต่เงินบ่รวยบุญอะไรท่านนี้ ขวดกระแพงแพงขวดสองหมื a day. A day ่นกว่าหมื่นหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทขวดหมื่นหนึ่งเนยเราเราถึงบอกบอกเราถึงบอกพระไม่ให้พระเอาเอาไปใครต้องการเอาน้ําไปฉันให้ใส่กาใส่อะไรไปฉันไม่งั้นกลายเป็นพวกเรานี่ใช้ ความเป็นอยู่ของเราฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยมากแต่หมูจะได้ช่วยคิดเราหรือเปล่าน้ำเราก็มีอยู่ในถังแล้วก็มีกา <c oughs> ก็กรอกใส่กาไปเป็นวันเป็นวันเป็นวันไปถ้าเราเอาความสะดวกสบาย เอาไปแบกไปเป็นแพกเก็บไว้เป็นห้าวันสิบวันนี่มันก็สบายเกินไปละมันจะเป็นอมมา พ, มาพามลึกอมมพาดมันละมันงอมืองอตีนหมดเป็นอมมาพลึกอมมพาด <c oughs> ครูบาอาจารย์ท่านทำนิกครูบาอาจารย์บางวัดเนี่ยท่านไม่ให้ใช้เลยนะ น, น้ําขวรท่าให้ใช้กา <c oughs> พระสบายเกินไปแล้วลืมตัวลืมตัวนี่ลืมตัวนี่แหละมันจะเป็นการทำลายตัวเอาเวลาสะดวกสบายนั้นก็ไปหายใจทิง้งสะดกสบายความเป็นอยู่สะดกสบายหนักห น, นักเข้าไม่เห็นคุณค่าของความเป็นอยู่ไม่เห็นคุณค่าของข้อวัดต่างๆข้อวัดต่างๆนี้ ประโยชน์ของข้อวัดที่เราทําเราเห็นประโยชน์ไหมข้อวัดต่างๆเนี่ยรวมทั้งคนวัดเราทุกคนเน่ยที่เรามาวัดเนี่ยเรามาทําเรามาทําข้อวัดต่างๆเราเห็นประโยชน์ไหมประโยชน์ของข้อวัดเนี่ยเราเห็นไหมประโยชน์ข้อวัดนี่ให้ประโยชน์อะไรเราบ้างประโยชน์ข้อวัดทั้งหลายทั้งปวงที่เราต้องทําในความเป็นอยู่ของเราเนี่ย เราเห็นประโยชน์ไหมยิ่งเราเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายเราก็เลยยิ่งไม่รู้จักในสุทอดทิ้งสิ่งเหล่านั้นแหะประโยชน์ข้อวัดทั้งหลายทั้งปวงก็คือท่านประสงค์ให้เราเนะี่ยเก็บเล็กผสมน้อยจากความอุตสาห์พยายามของตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาสติของตัวเองเป็นที่ตั้งเอา สัมพัชญะเอาวิรยิยะเอาอุตสาหะเอาความกำหนดจดจ่อของตัวเองเป็นที่ตั้งสิ่งเหล่านี้มันเข้ากันกับการภาวนามันเข้ากั น, นเข้ากันแต่ความสะดวกสบายนั้นทาให้ตายใจท ำ, ทำให้ตายใจทำให้นอนใจทำให้ลืมเนื้อลืมตัว แต่ก็จะกะเกณให้เป็นยังงั้นเหมือนกันทั้งหมดก็ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในวัยที่ต้องฝึกฝนอบรมให้รู้ให้เข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านั้นนี่สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นแต่เลยเถิดไปแล้วอายุมากไปแล้วมันใกล้จะตายเข้าไปแล้วก็ไปลำบากถึงขั้นนั้นขนาดนั้นนี่มันก็เกินไปอีก หลวงตาหลวงตาหลวงตาท่านว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างแม้แต่วรระตอนที่ท่านป่วยหนักๆจะสดช้อนสดอะไรท่านก็ยังจะไม่เอาหลวงตาหลวงตาท่านว่าตอนนี้ดูแลท่าขันท่าขันมันจำไบไม่ไหวแล้วใครอยากตกนรกอยากมาเอาตัวอย่างไอตัวอย่าง ที่ไม่ดีอย่างนี้ก็ให้มันเอาไปเคยฟังไหมเคยฟังเทพหลวงตาไม้มท่านพูดเด็ดนะหลวงตาท่านเด็ดมากเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านั้นจะใหราบเหมือนหน้ากลองไปทั้งหมดทุกวัยนี่ก็ไม่ใช่อยู่ในวัยที่ต้องฝึกฝนอบรมตัวเองเพื่อที่จะให้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกินวัยนั้นไปแล้วฝึกฝนอบแล้วผ่าน พ้นมาแล้วอะไรมาแล้วกลายเป็นนิสัยแล้วอะไรแล้วอบางองค์ท่านก็ทําเรื่องความสะดวกสบายตามอัธยาสัยใจคอของท่านอืก็เหมือนอย่างติลงปุ้มันหรือบางทีจะทําจะทํามันกลายเป็นว่าเอาเป็นตัวอย่างให้กับหมู่ถือตามในสิ่งที่ไม่ดีเป็นเหตุให้หย่อนให้ยาให้อะไรต่อะไร น, นี่มันลําบากเะยไอ้หลวงตาท่านท่านว่า ใครอยากใครอกลงนรกยังไม่จับเอาถือเอาตอนนี้ก็เอาไป <c oughs> ที่ท่านอุปทานหลวงปู่มั่นตอนนี้ท่าแขนามันจะไม่ไหวแล้วถ น, นอมถนอมประคับประคองอยู่ไปเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นหนึ่งวันเป็นสองวันยิ่งอยู่ไปเท่าไหร่ก็ <c oughs> ยิ่งมีประโยชน์นี่ลงตาท่านพูดที่ท่านอุปถามประทานหลวงปู่มั่น อยู่ไปแต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตมีเวลายืดไปแต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตเมีประโยชน์กับมนุษย์กับเทวดานี่ท่านพูดถึงปุ่มมันแต่สมัยทุกวันนี้มันก็เป็นสมัยที่สะดุกสบา ย, ยจริงๆอ่ะแหละน้ำดูที่เราน้ําเขาขนมามันทําบุญนะ คนละสองแผกสามแผกคนละห้าแผกบางคนขนมาสิบแผกแล้วก็เก็บไปใช้ตามพอดีพอเหมาะพอสมอย่าไปใช้จนทำลายข้อวัด์ของเรากรอกน้าไม่เป็นดูแลรักษาสิ่งของของใช้ของสอยไม่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์บางองค์ทันเทศท่านว่า เราเอาปฏิปทาของหลวงตาเนี่ยปฏิปทาตอนที่ท่านบำเพ็ญตอนที่ท่านยังไม่ยังไม่ได้ช่วยชาติกับปฏิปทาที่ท่านตอนตอนท่านออกมาช่วยชาติเนี่ยแล้วเราไปยึดเอาตอนนี้เราแทนที่จะได้ตามที่ท่านปฏิบัติเคร่งคัด เด็ดเด่นเด่นเนี่ยเราก็ไม่ได้แล้วก็เลยมาเอามาเอาตรงที่ท่านอนุโลมเหมือนเหมือนอย่างท่านอนุโลมตามยุคตามตามการตามคราวเนี่ยเราก็เลยเลยไม่ได้แต่ตรงนี้เห็นตรงนี้เป็นเรื่องถูกต้องเลยกลายเป็นเรื่องบำบำุงบำเรอสะดวกสบายไปแต่สิ่งเหล่านี้ มันทำให้เราลืมตัวที่สาคัญที่สุดทำให้เราลืมตัวลืมตัวลืมข้อวัดลืมตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองความาพยายามความกระหนดำ จ, จอดที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้มันไม่มีเลยเสียไปเ่ยเสียไปเลยเสียไปเรื่อยเราก็ดูไปอันไหนเป็นเหตุไม่ดีเป็นเหตุทำลายเป็นเหตุเสื่อมเสียเราก็ถือไป ให้ยัดเทย์ครค่งให้ยิ่งกว่าหมูตามแบบฉบับกูบาลจาย์สายปากคือใยิ่งไปเลยไปดูดูหนังสือวัดป่าไปอ่านดูที่อาจารย์หมออ๋ยท่านมารวบรวมเอาไว้เนี่ยคราวสุดท้าย ห, หมูเอาไปอ่านกันเพราะบางอย่างมันมากต่อมากบางทีเราก็พูดกันไม่ถึงอันนันคือความเหมาะความควรที่ท่านพูดเอาไว้บางอย่างไม่ใช่ ไม่ใช่วินัยที่ท่นานบัญญัติเอาไว้ดอกแต่มันเป็นธรรมเนียมมันเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสายป่าปฏิบัติเวลาหลวงตาท่านพูดท่านก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างไม่ฉันช้อนเนี่ยไม่จับช้อนแล้วก็ตักอาหารในบาดฉันเนี่ยท่าว่าไม่ฉันช้อนน ไม่ตักไม่เอาไม่ถือช้อนแล้วก็ตักอาหารในบาตรชันเนี่ยนี่ครับท่านอกว่าไม่ฉันช้อนลุงปู่มันท่านไม่ไม่ใช่ฉันท่านไม่ชันเพราะท่านว่ามันขวางขวางทำลุงตาท่านก็เอานี่มาสอนลูกศิษย์ไม่ฉันช้อนแต่ก็ลูกศิษย์ที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละได้ยินได้ฟังด้วยกันนั่นแหละท่านก็เอามาตักฉันสบายเฉยท่าน คือเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องวินัยบัญญัติเป็นเรื่องธรรมเนี่ยมเป็นเรื่องธรรมแต่ถ้าเราจะอ้างถึงธรรมเหมือนอย่างที่หลวง ป, ปู่มั่นท่านอ้างว่าขวางธรรมขวางธรรมหมู่มันก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่แหละคือใจของท่านให้เป็นธรรมความเป็นธรรมในใจของท่านเนี่ยมันมองเห็นว่าสิ่งนี้เหมาะสิ่งนี้ไม่เหมาะสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควร บางทีก็อาจอาจจะไม่มีในในวินัยบัญญัติก็มีอาจจะไม่มีในอภิสมาจาร์ก็มีมันเป็นเอกลักษณ์ของท่านนี่อันนี้มันก็เป็นธรรมของท่านเพราะเรื่องธรรมเป็นเรื่องที่กว้างขวางละเอียดละออลึกซึ้งไม่สิ้นสุดสำหรับผู้ใดไม่สิ้นสุดสำหรับใครคนใดคนหนึ่งเช่นอย่างครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์กอเนี่ยพิจารา ม, มีขอบเขตจำกัดขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ครูบาอาจารย์ขอท่านอาจจะละเอียดวิจิตพิสดารมากไปกว่า น, นั้นเนี่ยนิทานว่าไม่สิ้นสุดสำหรับผู้ใดเรื่องของธรรมเป็นเรื่องที่กว้างวาาวขวางที่นิานว่าขวางธรรมขวางธรรมเป็นเรื่องไปสกิด จิตสกิดใจของท่านฮะทําให้เกิดฮิริทําให้เกิดโอดตตะปะในใจของท่านเนี่ยจึงเป็นเหตุที่พูดออกมาว่าขวางทำขวางทำฉันให้ฉั น, ฉ, นฉันช้อนเอาช้อนมาตักอาหารในบาดฉันที่ล ง, ลงตาเราว่าไม่ฉันช้อนนและอีกอันหนึ่งก็ให้ประเคนบาดอาจะรย์วาประเคนบาดให้ประเคนบาอืด เครื่บาทในแบบจริงๆเราก็ดูเห็นเห็นมีไหมไม่มีแต่ลวงแต่เออเ อ, อ, อ, อ, อ, อระเครื่องบาทในแบบมีแต่ว่าไอ้บาทที่เรามัดสายโยกแล้วเนี่ยไม่ให้ตั้งบนตีนตีนบาทเนี่ยพอเราไปตั้งแล้วมันดกเด็กดกเด็กมันจะล้มแหลมไม่ล้มแหลมต่ า, างๆงั้นะ น, นี่มันก็ขัดธรรมะของท่านท่านจึงให้เอาวางวางกับพื้น ไม่ได้วางบนตีนบาทเยท่านท่านพูดถึงสมัยน้องผือนั่นแหละท่านบอกว่าท่านบอกว่ามีพระเข้าไปใหม่หรือยังไงไปวางบนนั้นน่ะในที่สุดก็พื้นมันดกเด็กรกเด็กเพียบในที่สุดก็อในก็ในที่สุดก็ล้มล้มกริ่ก็ล็อกล็อกล็อกล็อกล็อก็อกต๊ลงไปนานเห็นไหมเห็นเห็นทันตาเลยทำไมท่านจึงไม่ให้วางบนบนตีนบาทเห็นเป็นประจักษ์พยานเหยท่านผู้ได้ฟัง นี่เรื่องรานี้มันเป็นเรื่องธรรมธรรมะไม่สิ้นสุดสำหรับใครฟังฟังแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสัพพัญยุสัพพัญยูนะสัพพัญยุตยานสัพพัญยุพนระสัพพัญ ย, ย, ยนะุแต่ไม่ใช่ว่าเรามีความรู้มากกว่าพุทธเจ้ามีความรู้ดีกว่าพุทธเจ้ามีความรู้เกินพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธเจ้าจะไปได้เท่า ปลายลบทุนหลีละอองอะไรแม้แต่พระอัคคสาวกแ ท, ท้แท้ท่านก็ไม่พูดเทียบเทียงเทียบเทียงกับพระพุทธเจ้าไปไหนสับพันญูสับพันญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาปราดบรรดาจอมจอมปราชบรรดาอัคคสาวกอัคคสาวกแ ท, ท้แท้ท่านก็ไม่ได้เอาตัวท่านไปเทียบไปเทียบแม้แค่ ฝุ่นละอองทุลีของพระติจ้าท่านไม่เอาไปเทียบเพราะความเคารพเอาไปเทียบไม่ได้ยกท่านไว้เป็นพิเศษเทียบไม่ได้แต่ท่านชมพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรท่านมีปัญญามากสามารถนับเม็ดฝนได้ ฝนตกในจักรวาลเนี่ยสามารถนับครบหมดนะนับยังไงท่านคิดดูดิพวกเราเราคิดดูท่านนับได้ยังไงครบนับเม็ดฝนนับยังไงอถ้าไม่นับโดยความวิเศษของความรู้ความอภิญญาพิเศษของท่านแล้วจะนับกับอะไรนับหนึ่งสองสามเอาอะไรไปนับอ่ะเอาตาที่ไหนไป็นนับความรู้ของท่านเนี่ย สามารถขยายได้เป็นพันอย่างเป็นพันในอนันต์อนันต์นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยอนันต์ในไม่มีขอบเขตจํากัดแต่ภาษาพุทธได้แค่พันในหนึ่งพันในหนึ่งพันในยะในยะหนึ่งพันในยะเช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นอะไรอ่ะเช่นอย่างเราตั้งเอาไว้ตรงตรงตรงนี้เป็นเป้าเป็นจุดหมาย ทางที่จะเดินเข้ามาถึงเป้าหมายตรงนี้เนี่ยมันเดินมาได้เป็นพันๆทางทางโน้นก็ได้ทางโน้นก็ได้ทางโน้นก็ไหนทางโน้นก็เป็นพันๆทางนี่คือความความสามารถแต่ถ้าความสามารถย่อนลงไปมากกว่านี้ย่อนอ่อนมากไปกว่านี้ก็เห็นเฉพาะทางที่เราเข้าออกสมมติอย่างวัดทั้งเต่าเราเนี่ยเห็นเฉพาะทางเส้นใหญ่ที่เราเข้าออกเราเข้าเราออกเราเข้าเราออกแค่นี้อันนี้หมายหมายถึงภูมิภูมิรู้ ภูฉลาดเราก็เห็นบางคนก็เห็นได้แคงนี้แต่บางคนว่าโอ๊ยตรงนี้มาจากตรงไหนก็ได้ลัดเลา ะ, ละปามาจากตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็มาถึงจุดเดียวกันหมด น, นี่แสดงว่ามีความสามารถแคปเดียวเนี่ยมันลุบรรลุธรรมชั่วชั่วเหตุผลเดียวเนี่ยสามารถทําให้ เข้ามาถึงจ <c aning> ุดเด่นเนี่ยได้เป็นพันๆอย่างพันๆแห่งแตกฉานอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็สามารถถึงนี้ได้อย่างนี้ก็สามารถถึงนี้ได้อย่างนี้สามารถถึงนี้ได้ก็ดูแต่ท่านประเทศกลับใหญ่คุณโจรคุณโจรคราวแดงนะฮะคุณโจรคราวแดงนี่ฆ่าคนมาตลอดชีวิตเป็นเพชฌฆาตฟันฟันคอคนไม่ขาดแล้วกําลังมันมันเหลือน้อยแล้วฟันไม่ขาดล่ะในสี่สุดก็ พระเจ้าปรสิทธินาที่โอษนิตปลดออกเพราะมันมีไม่มีแรงอะตัดคอคนไม่ขาดนะว่าเป็นแพชฌฆาตประจำสานักตัดคอคนไม่ขาดนะแรกเริ่มก็คือท่านเป็นโจรเป็นสมุนโจรแล้วก็ท่านมีท่านมีเอกลักษณ์ของท่านคุณจวนกราวแดงเนี่ยนะเป็นเอกลักษณ์ที่น่ากลัวว่างั้นแทะอยากอยากเป็นสมุนโจรไปขอสมัครสมัครกับหัวหน้าหัวหน้าก็ไม่เอา สมัครกับคนนั้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาคนนั้นก็ไม่เอาไปสมัครไปสมัครเป็นลูกน้องโจนอะโจนไม่รับเพราะเขาดู <c oughs> เขาดูลักษณะของคนคนนี้มันเป็นลักษณะแปลกแปลกเปลักษณะแปลกแปลกยังไงไม่รู้ลักษณะหน้ากลัวแปลกแปล ก, ปลกนั่นแะหัวหน้าโจนก็ไม่รับร้องลงมาก็ไม่รับไม่รับไม่รับไม่รับโดยเหตุที่เขาไม่รับนี่แหละเพื่อนก็นพยายามไปเกี่ยวข้องไปพูดไปคุยไปอะไรอะไรกับโจนนั่นแหละอ จนจนเป็นเหตุให้โจรคนหนึ่งเห็นใจแล้วก็สามารถไปพูดกับลูกพี่ได้เลยได้เข้าสมัครเข้าเป็นสมุนโจรคนหนึ่งมันก็เป็นอย่างที่เขาคาดจริงๆอ่ะอยู่มาอยู่มาอยู่มาอยู่มาโจรห้าร้อยเนี่ยเขาจับได้ทั้งหมดเขาจับได้ทั้งหมดเขาต้องการให้โจรค่าโจรเองอปราบโจรทั้งห้าร้อยเนี่ยเขาเลยให้สมัครใครจะเป็นเพชเพช จ, จะฆาต ใครจะเป็นเพชฌฆาตถ้าใครสมัครเป็นเพชฌฆาตฆ่าหมู่ของตัวเองคนนั้นจะ اض, รอดรอดหนึ่งคนรอดหนึ่งคนให้ให้หัวหน้าหัวหน้าก็ไม่เอาสมมุติให้หัวหน้าสมมสมุติหัวหน้ารับปับเนี่ยหัวหน้าก็จะต้องฆ่าลูกน้องทั้งหมดแต่ก็จะเหลือเหลือหัวหน้าคนเดียวอ่าเหลือหัวหน้าคนเดียวคือหนึ่งคนนั้นยกเว้นไม่ฆ่าเพราะงั้นแทะหัวหน้าก็ไม่รับ ร้องลงมาก็มารับร้องลงมาก็ารับร้องลงมา ก, มามากมา็มาโดยลําดับไม่มีใครรับพอมาถึงนายคนนี้อา้าวนายคนนี้เอาแ <c oughs> น่หน ไ, ไหมนี่ยเนีคือลักษณะแปลกๆมันมันเป็นอย่างนี้อา้าวนายคนนี้กลับเป็นเอาเมื่อเอาแล้วก็เลยตั้งให้เป็นเพชฌฆาตฆ่าตั้งแต่หัวหน้าลงมาค่าจนหมดอ่ะโจนห <c oughs> ้าร้อยค่าจนหมดอ่ะพอหลังจากนั้นมาแลว้วตั้งให้เป็นตําแหน่งเพชฌฆาต ฆ่าคนคอยฆ่าคนตามที่พระราชาสั่งเนี่ยตำนานของคุณโจรขาวแดงนะท่านนี้ก็ฆ่าไปฆ่าไปฆ่าไปอายุไขก็สูงไปจนหมดกําลังว่างั้นแอะอายุมากละว่ะตัดคอคนไม่ขาน่ะเขาก็เลยกระเสียนออกปลดออกก็ปลดออกพระสารีบุตรท่านเล็งเห็นท่านมองเห็นด้วยความสามารถของท่านอ่ะท่านไปเทศกลับใจเออท่านฆ่าคนอย่างงั้นท่านฆ่าคนอย่างงี้ ท่านเกลียดเขาหรือท่านชังเขาหรือหรือท่านทาเพราะมีพระบัญชาจากพระราชาเป็นเป็นโทษที่พระราชาสั่งสั่งประหารงเงี้ยท่านทำหน้าที่ประหารไม่ได้ฆ่าเพราะความโกรธเพราะความเครียดเพราะความแค้นเพราะความอะไระอะไรฆ่าโดยหน้าที่ ต้องเทกลับใหญ่เทตไปเทสเทออใช่ใช่เราไม่ไอาฆาตเขาจริงเราไมไ่พยาบาทเขาจริงเราทําตามหน้าที่จริงๆพูดไปพูดไปพูดไปไอการที่เคยยึดถือว่าจะของข้าคนข้าคนข้าคนเนี่ยมันก็เกิดปัญญาหนึ่งขึ้นมาเออใช่เราไม่ได้เกียตนาข่าจริงๆริงไว้เราฆ่าตามที่พระราชาสั่งในสุดจิตมันก็เลยถอนเริ่มถอนมาเน่ยถอนจากการยึดมั่นถือมั่นว่าว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนบาปหนาสาหัสสาโหดสาหัสาหสากันอะไรเนี่ย จิตมันก็เริ่มเกิดความรู้สึกนึกคิดเออใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่เจตนาที่เราเจตนาไปแกล้งฆ่าไปด้วยโมโหโธโ ซ, โซโด้วยอะไรตัวไหนไม่มีเราฆ่าด้วยเราฆ่าคนที่พระเจ้าแผ่นดินสั่งให้ฆ่าอเราทําตามคําสั่งเราไม่ได้มีมเจตนาฆ่าด้วยตัวของตัวเองเนยิย้ดไปขี้มาพอมาถึงตรงนี้ก็เลยไอความผูกพันด้วยทิฏฐิ ที่ไปเจ้าของอะฆ่าขนฆ่าขนฆ่าคนก็เลยพันลงพันลงพันลงเกิดความรู้สึกเออใช่เราไม่ได้มีเจตนาเข้าฆ่าเขาจริงๆริงแทนไหมจิตมันก็ถอนออกมาเลยด้วยปัญญาของพระสารีบุตรพระสารีบุตรเทพเทศจนได้เป็นพระโสดาบันนะถ้าไม่ทําความเห็นให้เบาบางตรงนี้ได้จิตมันจะเข้าถึงระดับนั้นไม่ได้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันไม่ได้ในสุดขุนโจรคราวแดงก็ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ย ฆ่าคนมาตลอดชีวิตนี่คือเราพูดถึงความสามารถของภาษาที่บุตรนะภาษาทีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยเหมือนเหมือนแม่เหมือ น, นเหมือนมันดาบังเกิดภาษาทีบุตรเนี่ยเหมือนนางนมเหมือนนางนมคือพระโมคคัลลานะเนี่ย ท่านทําให้คนเลื่อมใสศรัทธาเพราะท่านมีฤทธิ์มีเดชพอคนคนคนเราเนี่ยด้วยเหตุที่ว่ามีฤทธิ์มีเดชเนี่ยเกิดเลื่อมใสศรัทธาเห็นเป็นของอัจฉริยะเจ้าของอยากได้อยากเป็นเหมือนกันเนี่ยเนี่ยก็เลยทําให้คนเข้ามาบวชได้ง่ายเนี่พระโมคคัลล า, านะนะเพราะท่านมีฤทธิ์มีเดชทําให้คนเลื่อมใสศรัทธาด้วยฤทธิ์ด้วยเดชเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบเหมือนว่ามารดาบังเกิด ของของของพระเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนมารดาบังเกิดแต่พระสารีบุตรเนี่ยเอาผู้ที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยมาฝึกฝนอบรมอัธยาศัยใจคอขัดเกลื่อนิสัยสันดานจนได้อัดได้ทำเนี่ยคือก็ว่าเป็นเป็นเหมือนนางนมไอ้คนหนึ่งไอ้ไอคนหนึ่งทำให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วไอ้คนหนึ่งเหมือนนางนมเลี้ยงพระค้าประคองไปจนลูกนั้นใหญ่ไปโตไปนี่ท่านเปรียบเทียบนะเอ่า นักทำทีเขาชอบออกออกก็สอบมากตรงนี้ชอบเอาตรงนี้ไปออกข้อสอบเ็เปรียบคุณสมบัติของพระโมคคัลลานัภาษารบุตรภาษารีบุตรนั้นฉลาดดูแต่พระพระอาสิชิเทศทํามไมฟังอ่ะภาษารีบุตรเนท่านท่านได้เป็นพระโสดาบันจากฟังเทศของพระอาสิชิพระอาสิชิหนึ่งในปัญจวัคคีย์พระอสิชิ พระสารีบุตรกับพระมกคลานะเนี่ยไปอยู่ที่สำนักอาจารย์สันชัยเรียนจนจบหมดแล้วโอ้ไม่เห็นมีทีท่าว่าจะได้อาจา ไ, ดได้ทํอาอำจะเป็นที่น่าพอใจอะไรยังไงก็เลยเออเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้เราต้องหาที่ใหม่แล้วต้องหาที่ใหม่อแต่ถ้าหากใครได้ได้อาจา ไ, ดได้ทำํำค่อนใครก็ให้ใหมาบอกกันเนี่ยวันนี้ พระสรีบกุก็ไปไปเจอพระอัสสชิเพราะพระอัสสชิกําลังเดินบินทบาตพอดีท่านก็เดินตามหลังไปเห็น hey, <c oughs> เดินด้วยกิริยาท่าทางที่สํารวมระมัดระวังเกิดความเลื่อมใสเกิดความศรัทธาโอ้สัมณคนนี่น่าน่ารักน่าเคารพน่าเลื่อมใสศรัทธาเลยตามไปตามไปตามไปตามไปอ่าพอท่านบิณทบาทสุดสายท่านก็จะฉันเอานาน้นมาวางเอา น, านี่มาวาง เอานั้นมาตั้งเอานี้มาตั้งให้ท่านได้ฉันเสร็จแล้วก็ถามมาท่านชอบใจของใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านรู้ทั่วถึงธรรมะของใครทําไมผิวผัานวันณะของท่านผ่องใสพระอิชีก็บอกว่าเร า, า, า, า, า, าก็เพิ่งบวชอตาตมาก็เพิ่งบวชน่ะ เพิ่งบวชมีความรู้ไม่ลึกซึ้งในธรรมะมีความรู้ไม่วิจิตพิสดารนี่มนท่านแสดงเฉพาะหัวข้อหัวข้อธรรมมาก็เลยพระอาสิก็เลยแสดงเฉพาะหัวข้อธรรมเยธรรมมาเหตุตุปปภาวแสดงถึงว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุ พระศาสดาแห่งเหตุแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและแสดงความดับแห่งธรรมเหล่านั้นแสดงแค่นี้แล้วก็กล่าวว่าพระมหาสรรมณะ ท, ท่านท่านกล่าววาจาอย่างนี้อันนี้คือวาจาที่ท่านเทศเทศเพื่อให้คนฟังแล้วได้เป็นพระโสดาบันแค่นั้นเองภาษาบุตรฟังเฉพาะหัว ข, ข้อแค่นี้เข้าถึงสัจธรรมเข้าเข้าถึงความเป็นพระโสดาบัน โอ้โอ้นี่แหละาศาสดาของเรานี่แหละาศาสดาของเราถามทันทีว่าเดี๋ยวนี้พระาศาสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนนะยอมรับแหะนี่าศาสดาของเรารทับอยู่ที่ไหนก็เลยไปชวนพระโมค oh คัลลานะไปชวนสัญชัยด้วยชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปสัญชัยเขาก็ถือตัวเขาเขา เ, ขาเขาป็นอาจารย์เนี่ยไปชวนเขาไ ป, ไปหาไปหาพระสมณะโคดม เขาก็ถือตัวเขาเขาก็ถามลูกศิษย์ทั้งสองว่าศาสนาบุตรีมคลรณะอยู่เรียนจนจบแล้วแต่มันไม่เห็นช่องทางที่จะได้บรรลุธรรมพอดีภาษาบุตรได้บรรลุธรรมเนี่ยก็เลยไปเล่าธรรมะอันนี้กับพระมคลรณนะพระมคจรณะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยก็เลยไปลาอาจารย์สัญชัยเนี่ยไปเข้าพระาศาสดาแล้วไปชวนอาจารย์สัญชัยด้วยเพราะสงสาร อย่างสัญชัยเขาก็ยิงเพราะเขาเป็นอาจารย์ถ้าถามลูกศิษย์ว่าท่านว่าท่านว่าคนในโลกนี้คนโง่ามากกว่าหรือคนฉลาดมากกว่าคนโง่ามากหรือคนฉลาดมากในโลกนี้ลูกศิษย์ก็แย่งกันตอบมอแล้วก็คนโง่สิครับอาจารย์คนโง่ในโลกนี้มันมีมากกว่าคนฉลาดอย่างนั้นเราจะอยู่คอยต้อนรับคนโง่เนี่ยแหละพวกท่านจงไปหาคนฉลาด คือพรมหาสํนานักขอดมเถิดเราจะอยู่ตอนรับคนโง่ น, นี่แหละก็ <c oughs> พูดเป็นการตอบโต้กันก็ฝังก็เป็นกติ่งนดะีฟ้าภาษาสดาแค่เดินไปฟ้าพระพุทธเจ้าท่านเห็นทั้งกับตราแล้วนี่แหละสาวกของเรานี่แหละอัครส า, าวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายของเราแค่เดินเห็นเดินมายังไม่ได้บวช น, นะนี่อัครส า, าวกของเราเดินมาแล้วคําว่าอัครส า, าวกก็คือสาวกที่เลิศพระสารีบุตรก็เลิศเลิศด้วยปัญญา เป็นภาษาวกเบื้องขวาพระ ม, มคลาณนะเบื้องซ้ายเลื่อนในทางฤทธิ์ปัญญาตบริทธ์ก็ฟังฟังธรรมะแล้วก็ขอบวชก็ต่างคนตา่างปฏิบัติทำไม่นานก็นได้บรรลุธรรมภาษารี่รรบุชสิบห้าวันพระมคคลานะเจ็ดหรือแปดวัน ไม่เป็นพาลหันเสร็จ แ, แล้วก็ช่วยประกาศาศาสนาทำให้ประสงค์สาวกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะความชานฉลาดของพระโมคคัลนะของพระสารีบุตรนี่เราพูดถึงความฉลาดความฉลาดของท่านแต่ก็ยังเป็นรองพระพุทธเจา้จาพระพุทธเจ้าสับพันอยู่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราพูดถึงความฉลาดฉลาดของท่าน เราพูดถึงอะไรถึงตะเลอศเปิดเปลงไปถึงนั่นนะฮะใครคิดออกบ้างเราพูดถึงอะไรวะตะเลิศเปิดเปลงไปถึงนั่นไปถึงความฉลาดถึงนั้นีน่เราพูดถึงว่าความเราพูดเราพูดว่าความรู้เนี่ยปัญญาเนี่ยไม่สิ้นสุดสําหรับใครสําหรับผู้ใดคนนี้อาจจะสิ้นสุดแค่นี้อีคอนนอ ก, กอนอคนหนึ่งอาจจะมากกว่านี้อีกคนหนึ่งอาจจะมากกว่านี้ ไม่สิ้นสุดสำหรับใครเพราะฉะนั้นอุบายแห่งธรรมจึงจำกันไม่ได้ว่ามีแค่สองว่ามีแค่สามคนที่มีภูมิเห็นแค่สองก็เห็นแค่สองคนที่มีภูมิเห็นแค่สามสามอย่างคือสามวิธี ก, ก็ว่าสามเห็นแค่สิบก็ว่าสิบแต่อย่างพร ะ, พระสารีบุตรเห็นเป็นพันอยา่างมีความสามารถสามารถนับเม็ดฝนในจั ก, กรวาลได้ ครบหมดโอ้โหนับยังไงเราฟังดูกแกนี้ก็เป็นขอ้ออัศจรรย์แล้วปัญญาบา ร, รมีเริ่อในทางปัญญาผู้ปัญญาคิดมากใขค่ควนมากทำไมถึ ง, ถงได้บรรลุธรรมทีหลังร่มงบอกกันลนะคือภูมิกว้างเป็นผู้มีภูมิกว้างต้องพิจารณาใขค่ควรย้ำไปยำมาจนสับยำจนละเอียด ไม่เหมือนพวกเรากลืนกลืนเป็นกรรมกกลืนเป็นก้อนกอนทั้งกระดูกทั้งกล้างทั้งอะไรกลืนไปหมดอย่างเงี้ยนี่คือคำเปรียบเทียบทั้งหมดนั่นแหละถ้าท่านท่านดูเงื่อนดูแง่ที่ไปที่มาที่อยู่ที่ตั้งประโยชน์โทษดูสำรวจดูตรวจตราดูละเอียดทีทวนคือฉลาดความฉลาด ศิลปะในใจมันต้องมีความมีศิลปะในใจนี่นี่นี่สองสมานอนีกนี่คนบางคนมีศิลปะในใจมันเป็นเองนะดูแง่มุมของศิลปะแล้วมันเป็นเอง ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้นิดหนึ่งก็สําเร็จประโยชน์อเป็นพรัชญาศาสตร์เลยขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้นิดหนึ่งก็สําเร็จประโยชน์เหมือนนายอะไรนะที่ไปเรียนดีดกลวดนี้อะไรเป็นรูปช้างรูปมา้ารูปอะไรอะไรเนี่ยเขาไปเรียนเรียน เรียนยังไงมู้เรียนไปเรียนมาเลยได้วิชาดีดดีดกลวดกรวดมันดีดดีดใส่ใบไม้เนี่ยดีดแปด๊ดแปด๊ดมันเป็นช่องทะลุแปด๊ดเป็นช่องทะลุแปด๊ดเป็นช่องทะลุทําให้เป็นรูปช้างรูปม้ารูปอะไรอะไรได้อ่ะเขาไปดีดเขาไปดีดไว้ ท, ที่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งดีดใบไม้ใบนู้นก็ดีดใบนี้ก็ดี ด, ดมีรูป หลายหลายรูปรูปช่างรูปม้ารูปอะไรวิจิตพิสดารอยู่ในใบไม้นั่นอ่ ะ, อะมีวันหนึ่งพระราชาสเสด็จพระพาร่าไปประทับใต้ร่มไม้นั้นพอดีก็มองมองย้อนแสงไปน่อมองย้อนแสงไปเห็นรูปทะลุของมันเนี่ยเป็นรูปช่างรูปม้ารูปอะไระอะลยสู้โอ้ยงามเป็นศิลป ะ, ร, ะราชาเอ๊ะไทยสามารถทำได้บอกว่านายเนี่ยนายนายอะไรนายดดกลัวนี่แหละ ก, ก็เลยให้ไปเรียกมามีความชำนาญในการดีดกรวดดีดสามารถดีดตรงเป้าสามารถดีดทำรูปได้พระราชาเอาไปไม่ใช่เอาไปอะไรนะบอกว่าปุโรหิตเนี่ยปุโรหิตของพระราชาเนี่ยพูดมากพูดมากพระราชาพูดหนึ่งคํพาปุโรหิตพูดจนปากแฉบปากเปียกอยู่นั่นะพูดมากพระราชาเหนื่อยเบือ่อก็เลย ก็เลยให้นายนายคนเนี้ยไปค่อยเอาขี้แพะไปค่อยดีดใส่ป่านายคนนี้พระสมุทระราชาเวลาไปว่าความว่าอะไรถามปุโรหิตคนนี้ถามเขาก็พูดพูดนายคนนี้ค่อยดีดขี่แพะเข้าปา่าจนขี่แพะจนขี่แพะเต็มป่ากว่าจะหยุดพูดมันเป็นเรื่องขำๆดีนะเนี่ยเสร็จแล้วก็มากล่าวสรุปบ้าขึ้นชื่อว่าศิละปะเน ไม่แต่นานายดีดกรวดเนี่ยนายศึกก็เป็นเป็นเป็นศิลปินประจสำสานักกันไปค่อยดีดกรวดดีดขี้แพะใส่ปากของปุโรหิต <c oughs> อ่แสดงทางก็พูดตรัสว่าขี้แพะเต็มปากแล้วยังไม่หยุดพูด <c oughs> พดีดขี้แพะใส่ปากจนเต็มปากแล้วยังไม่หยุดพูดขึ <c oughs> ้นชื่อว่าศิลปะไม่นิดหนึ่งก็สําเร็จประโยชน์ ศิละปะก็คือความรู้ความเชี่ยวน่นชำนาญทั่ ว, วไปศิละปะแล้วก็คนเราก็อยู่ด้วยศิละปะใครอยู่แบบไม่มีศิละปะคนนั้นอับจนขาาึ้นคำว่าคำว่าศิละปะก็คือชํนานาญการบาสิ่งบางอย่างมีความชํมนานาญล้างถ้วยล้างจานล้างแก้วนี่ก็ถือว่าศิละปะซักผ้า ถือว่าศิล ป, ปะไดย้ยากเนี้ยถือว่าเป็นศิล ป, ปะใครไม่มีศิล ป, ปะไปจําตัวคนนั้นอับจนคือมันจนปัญญามันไปตั้งแต่จนปัญญานี่แหละทำอะไรก็ไม่เป็นงอมืองอตีนเขาเรียกคนอับจนปัญญาไม่มีศิล ป, ปะติดเนื้อติดตัวอันนี้เ็าจัดดอกนี่เขาก็มีศิล ป, ปะของเขานะเนี่ยก็มีศิล ป, ปะของเขา มีศิลปะเราจัดเอาแบบไหนจัดเอารูปไหนจัดถวายพระพุทธเจ้าประทำประสงค์จัดบูชาท่านเป็นอาบิษบูชาจัดบูชามันก็ไม่พ้นศิลปะใช่ไหมศิลปะในการจัดจัดถวายจัดบูชาจัดเถิดทูลบูชาเป็นอาบิสบูชาอื บางคนทําทําจนมีความชํชนานิชํานาญเขาเรียกว่ามาลาในช่างมาลาในช่างเรียบเรียงเรียบเรียงในช่างจัดดอกไม้มาลาการนี่มาลาการมาล า, า, า, าการก็คือเรียงดอกอย่างนี้แหละจัดดอกเนี้ยรวมไปถึงจัดพวงมาลัยจัดพวงนนพวงนี้เอาน้นมานี่ อันู้นมาร้อยอันนี้มาร้อยสลับนู้นสลับนี้สลับไปสลับไอ้าวสวยงามเลยเป็นศิลปะแฝงด้วยศิลปะทุกอย่างแฝงด้วยศิลปะแา้วพูดง่ายคือฝีมือฝีมือแต่มันจะละเอียดตั้งแต่หยาบหยาไปจนถึงละเอียดลึกเข้าไปละเอียดไปถึงเกี่ยวกับเรื่องปัญญาแง่าามุมในการนึกในการคิดศิลปะ คนไม่มีศิลปะคนไม่มีปัญญาไม่มีศิลปะอับจนไหมว่าอับจนปัญญาไม่มีศิลปะขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้นิดหนึ่งขึ้นชื่อว่าฝีมือแม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็สำเร็จประโยชน์ได้เราเห็นว่าทุกอย่างเขาทำมาแฝงด้วยศิลปะดูนี่ดูมือเดือด แฟงด้วยศิละปะดูแท่นกระจกของหลองปูม่มั่นหลวงตาเนี่ยศิละปะดูแท่นพระเนี่ยแฝงด้วยศิละปะรวมไปถึงศิละปะในการพูดรวมแล้วก็คือมาจากปัญญาทั้งนั้น เ, นเห็นหมทุกทุกอย่างเนี่ยมาจากปัญญาทั้งหมดเลยที่เราพูดถึงความสามารถมากน้อยก็นะปัญญาเอง ที่เราพูดจบลงไปแล้วนะพระสิชิตพระสาริบุตรกับพระโมคคลานะเกี่ยวกับเรื่องปัญญาอผู้ไม่มีปัญญาอย่างสัญชัยอย่างเงี้ยก็มีปัญญาระดับนั้นท่านก็มีระดับนั้นของท่านยังสามารถตั้งตัวเป็นเจ้าสำนักหน่สันชัยสอนว่าอันนี้ก็ใช่อันนี้ อันนี้ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไอ้ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ยังไม่ใช่ไม่รู้อะไรใช่สนใจก็สอนลูกศิษย์ครูทั้งหกครูทั้งหนี่ที่มีในสมัยพระพุทธเจ้าครูทั้งหกก็เรียกครูทั้งหก มีคนว่าครูทั้งหกเป็นพระอรหันต์คือครูทั้งหกมคคิโคสาระอชิตะเกษกรมพลนิครนนาทบุตรม ก, กุฏตะกัดจายนะสัญชัยสัญชัยเวรัตบุตรเนี่ยเวรัตบุตรพวกนี้เขาเป็นเป็นครูทั้งหกว่าครูเขาว่าครูทั้งหกนี่เป็นพระรอรหันต์เนี่ยสุภัทถะไปถามไปทูลถามพระพุทธเจ้า ว, วัน ที่อากใกล้ปรินิพานยาอ่าอยาสุภัททะอริยมรรคมีองค์แปดไม่มีในาศนาสนธรรมของใครพระอรหันต์ไม่มีในาศนาสนธรรมนั้นอริยมรรคมีองค์แปดมีในในาศนาสนธรรมของเราตะถาคตเท่านั้น นี่ก็เป็นการปฏิเสธโดยชี้เชิงว่านอกนั้นไม่ใช่ไม่มีมีเฉพาะในศาสนาธรรมของพระองค์เท่านั้นเพราะศาสนาธรรมของพระองค์มีอรรยมรตมีองค์แปดประกอบไปด้วยศีลประกอบไปด้วยสมาธิประกอบไปด้วยปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติทุกอย่างนี้มันเป็นการปฏิบัติคือลงมือทาเหตุ ลงมือให้ทานลงมือรักษาศีลลงมือทำจิตให้สงบลงมือพิจารณาเกิดปัญญาถ้ายังไม่ลงมือหมายความว่ า, วายังไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเหตุในเมื่อไม่ทำเหตุแล้วผลที่ไหนมันจะเกิดขึ้นบรรดาผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นมีขึ้นในโลกไม่มีสิ่งใดประสริจากเหตุสักอย่างเกิดขึ้นโดยเหตุทั้งนั้นเยธรรมะเหตุตุภ พ, พวาณทาเราได้เกิดแต่เหตุ ธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่เพราะเหตุดับไปเพราะเหตุพระศาสนาทรงแสดงเหตุกับผลเท่านั้นความยิ่งใหญ่ของศาสนาก็คือเข้าถึงเหตุและผลพิจารณาผลย้อนไปดูเหตุพิจารณาเหตยุย้อนไปดูผลพิจารณาสาวไปพิจารณาสาวมามันเข้าได้ทั้งหมดเข้าได้ทั้งอริยสัจสี่เข้าได้ทั้งอริยมรรคมีองค์แปดเข้าได้ทั้งสติปัฏฐานสี่สมัมมาปัฏานสี่อ่า โพชฌงเจ็ดมักมีองแปนเข้าได้ทั้งหมดอริยสัจสี่เข้าได้ทั้งหมดเข้าได้ในหลักของศิลของสมาธิของปัญญาอย่าลืมหลักของสิของสมาธิปัญญาก็คือแนวแถวในการประกอบเหตุพอประกอบเหตุลงไปแล้วผลก็จะต้องตามเหตุทาเหตุลงไปแล้วผลต้องตามมาแน่แน ทำเหตุลงไปแล้วผลต้องตามมาเช่นอย่างตั้งใจรักษาสินเป็นการรักษาต้นเหตุคือรักษากายรักษาวาจาไม่ให้กายไม่ให้กายละเมิดสินกายกรรมไ ม, ไม่ให้าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมไม่ให้วาจาละเมิดสินพูดเท็จพูดยาพูดส่อเสียดพูด เ, เอเธอนี่เห็นไมไปรักษาที่ต้นเหตุ ในเมื่อเราตั้งใจรักษาในเมื่อเราไม่ประกอบไม่ประกอบเหตุให้ล่งละเมิดสินมันก็เป็นการปิดกั้นกิเลสไม่ให้เกิดได้เกิดเกิดในใ น, ในกิกิยาทางกายได้ทางใบจาคำพูดได้แนวไหมเรื่องฐานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญามันเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้เพื่อทำเหตุ เมื่อทําเหตุและผลก็จะตามมาไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติ ผ, ผิดในกรรมรักษาประพฤติปฏิบัติอยู่ได้อย่างนั้นคนคนนั้นก็พ้นเวนียนพ้นภยัยพ้นบาปพ้นกรรมที่จะเพิ่งเกิดขึ้นใหม่แต่ที่ผ่า น, านมาแล้วเรารับปากใครไม่ได้ว่าใครเคยทําอะไรมาบ้างถ้าใครเคยล่วงละเมิดมาแล้วฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมมาแล้วก็เป็นเหตุที่ว่ากรรมเก่าจะต้องตามมาเล่นงานเขา กรรมใหม่ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นเพื่อที่จะมาเสริมให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยยืดยาวไปไม่มีจุดจบโดยเหตุที่เรามารักษาศีลมันก็จบกิริยาใหม่ไม่เกิดกิริยาของกรรมใหม่ไม่เกิดเกิดแต่กิริยากรรมเก่าที่จะตามมาสนองรักทรัพย์ข่าสัตว์รักทรัพย์รพระพุทธในการมเนี่ยกายกรรมวจีกรรมก็เช่นเดียวกันวจีกรรมก็คือพูดเท็จพูดอยาพูดส่อเสียด เรารักษาสินไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพย์เจอมันก็เป็นการรักษาตนต่อรักษาเหตุมันเป็นการรักษาเหตุเหตุที่จะทำให้โล่งละเมิดทางวาจาในปัจจุบันจะไม่มีแต่ถ้าหากใครมีสขหมายความว่ากรรมเก่าที่เขาเคยทำมาในการก่อนตามมาเล่น ง, งานเขาเน่ท่านจึงให้ปิดช่องปิดรู ไม่ให้กิเลสมันออกมาทับถมทางกายทางวายใจแล้วก็ปิดกั้นที่จิตปิดกั้นทางใจก็คือให้ภาวนาอยู่กับอารมณ์มันเดียวให้มันสงบไม่ให้มันโดดดิ้นไปกับรูปกับเสียงกับกลิน่นกับรสเนี่ยที่จะเรียกว่าสมถะหรือสมาธิก็คือหรือความสงบความสงบนั้นปิดกั้นกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นที่จิตมันเคยยุ่แย่ ดึงจิตนั้นไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผสัสเรื่องรักเรื่องใคร่เรื่องอิจฉาริษยาพยาบาทกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับเรื่องกับราวกับคนนั้นกับคนนี้ด้วยเหตุที่เราไปปิดกั้นไม่ให้เกิดช่องไม่ให้เกิดรูมันละลายทับท่วมเข้ามาทําให้จิต ด, ดำริอยู่ใ น, ในบทธรรมเช่นอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโธ อารมณ์ของกิเลส ท, ที่จะพึงแทรกมาในจิตมันก็ไม่มีในเมื่อไม่มีมันก็สงบที่ท่เรียกว่าสงบจากกามจิตสงบจากกา ม, มเห็นไหมมันสามารถปิดกั้นกิเลสได้กิริยาทางกายกายกรรมก็รักษากายกรรมของเราให้ดีให้บริสุทธิ์วิจีกรรมก็สามารถรักษากรรมทางวาจาราให้ร้อยบริสุทธิ์มนโนกรรมก็สามารถรักษา กรรมทางมโนทวารของเราบริสุทธิ์ได้ด้วยการสํารวมระ ม, มัดระวังเน่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นการทําเหตเเุเมื่อทําเหตุเมื่อทําเหตุอย่างนี้ผลผลคือกิเลสไม่ไหมตามมาเยี่ยมเยีหัว ใ, ใจของเราจิตใจก็ได้รับความสงบได้รับความเยือกเย็นหยิบยกเรื่องสัตว์จะทําท่าไหร่ทั้งปวงมาพิจารณาจิตใจมจะเริ่มซึมซับ เข้าไปซึมซับเข้าไปซึมซับเข้าไปซึมซับเข้าไ ป, ป, าไปร Naval ูรปที่เห็นก็เห็นเป็นเรื่องของสัจจะเสียง Serbia, ๆๆที่ได้ยินก็เห็นเห็นเป็นเรื่องของๆๆสัจจะเห็นตามสัจจะไม่มีสัญญาอารมณ์เข้ามาแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาเสริมเข้ามาบิดมาผันให้เกิดความนึกคิดไปในทางรักในทางชังในทางโกรธในทางเกลียดในที่สุดคือเห็นสัตว์ทวาเห็นได้ยินรสัพว์ทวาได้ยินเห็นรูปรูปสัพว์ทวาเห็นรูป สัมผัสเยนร้อนอบก่อนแข็งเห็นในสิ่งที่ชวนให้จิตใจคึกขนองตัวเหตุที่มองไปในแง่ของสัตยธรรมตามมีจริงเป็นอยู่จริงของมันจิตก็ไม่กำเริบเสื่อมสารทาให้จิตเริ่มเข้าเข้าสู่กระแสของสัตจธรรมสัตยธรรมจะเข้าถึงได้ต้องมีจิตได้รับความสงบเพราะจิตได้รับความสงบสัตยธรรมก็จะเริ่มปรากฏชัดในภายในใจของเราเห็นไหม พอเราทําไปแล้วมันก็เราลงมือทําเหตุและผลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็จะพัฒนาเจริญงอกเงยมาเรื่อยจเจริญงอกงามมาเรื่อยจเจริญงอกงามไปมาเรื่อยในหัวใจของเรามีวิธีปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความเจริญที่แท้จริงเพื่อจําระ mm hmm. เพื่อเป็นเหตุให้เกิดปัญญา mm hmm. ปัญญาโดยธรรมปัญญาโดยธรรมพอทําให้เกิดปัญญาแล้วก็จะทําให้เราเกิดความรอบรู้รอบรู้แล้วกีิเลมันก็จะตามไม่ทัน ม, มันตามอำนาจกำลังของธรรมมันตามไม่ทันทำเหนือกว่าทำเหนือกว่าทำเหนือกว่าในที่สุดก็มันก็ล้าหลังตามไม่ทันตามไม่ทันจิตใจดวงนี้ก็เป็นจิตใจที่ถูกกระแสธรรมเข้าฝึกฝนอบรมบ่มเพาะจิตดวงนี้บ่มเพาะจนสามารถละเอียดเกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาเกิดปัญญายาน าาเกิดปสนาญานเกิดรู้เกิดเห็นนะเกิดเบือ่อเกิดนายเกิดคลายจางในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณธรรมอารมณ์หรือในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณแล้วก็สามารถเข้าถึงสัจจธรรมอย่างแท้จริงได้สิ่งที่เป็นจอมปลอมเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งหลายไม่สามารถจะ เข้ามาย่ำยีหัวใจได้จิตใจดวงนั้นก็เลยเป็นจิตใจที่ฉลาดฉลาดโดยธรรมกิเลสเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ทําให้จิต ด, ดวงนั้นรักษาดวงจิต ด, ดวงนั้นให้สะอาดได้ให้บริสุทธิ์ได้ให้หมดจดได้นะเพราะว่าอันนี้คือเหตุแห่งสุขอย่างแท้จริงตั้งใจดํารงธรรมเหตุแห่งความทุกข์อันนั้นมาก็ปัดออกอันนั้นมาก็ปัดออกอันนั้นมาก็ปัดออกเพื่อราคะเพื่อโทสะเพื่อโมห oh ะ เกิดขึ้นมาก็ปัดออกเกิดขึ้นมาก็ปัดออกเกิดขึ้นมาก็ปัดออกแนี่สาเหตุแห่งกองทุกข์ดึงแต่เหตุที่ทําให้เกิดความสุขเห็นแล้วก็ยอมรับเห็นแล้วก็ยอมรับเห็นแล้วก็ยอมรับตามที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงก็เป็นเหตุให้ฉลาดรู้เห็นตามที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงตามภาวะความมีความเปลี่ยนของมันนี่คือปัญญาคนเรานั้นหักแพ้กันด้วยปัญญา แต่การสังสมอบ ร, ปรมปัญญานั้นจะแตกต่างกันบางคนมีปัญญามากก็คือคนมีศิละปะมากหมืนกันแท้ศิละปะปัญญาศิละปะคือปัญญาแงาม่มุมความชํานาญความชำนิชํานาญแง่มุมความฉลาดความ ช, มชำนชมชมิชํานาญคือปัญญาเราเราหมุนงานลมาตรงนี้มันพัฒนาไปได้ พัฒนาไปได้เราจะรู้สึกว่าจิตของเราถูกพัฒนาไปไปสู่ความเพ่าๆไปสู่ความสงบความเยือกเย็นความละเอียดความเข้าซึมถึงหลักถึงสัตว์ธรรมที่ละเอียดโดยลำดับได้ในสุดเราก็พ้นทุกได้เป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นแหละศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยอริยมรรคยวงแปด มีในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จึงมีในาศาสนาของพระองค์าศา Comment? สนาอื่นไม่มีศาสนาใดไม่มีมรรคมีองค์แปาศาสนานั้นไม่มีไม่มีพระอรหันต์ศาสนาของพระพุทธองค์เท่านั้นมีญาิยมรรคมีองค์แปพระฉะนั้พระอระหันต์จึงมีเฉพาะในศาสนาศาสนาธรรมของพระพุทธองค์เท่านั้นนีย สุภทานอะไรได้ยินได้ฟังเสียงอางเสียงธรรมเข้าถึงธรรมย่ำสายศรัทธาขอบวชบำเพ็ญไม่นานได้เป็นฟารานเป็นปัฏชิมสาวกปัจิมสาวกสาวกองสุดท้ายในกลางคืนที่พระอ์จะจะดับขันเข้าสู่มหาพอนุปปัสสิยสันนิพาน น้ำภาวนาน้ำเผาวนาโดนใจตัวเอง